เรื่องของความถูกผิดนานๆนานผู้เล่าก็ใครจะย้ำความประสงค์เสียทีหนึ่งเกี่ยวกับหัวเรื่องว่าจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเซนนั้นมันคืออะไรซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว เซนเป็นของที่คนเราพูดอธิบายให้มีคำจำกัดความไม่ได้เท่าที่ทำได้ก็เห็นว่าน่าจะเล่านิทานให้หลายแง่หลายมุมแต่ละเรื่องจะค่อยๆทำให้ท่านทราบได้ว่าเซนนั้นมันอยู่ในทำรนองไหนแม้จะไม่ครบถ้วนก็ตามทีขอให้สังเกตด้วยว่าผู้เล่านิทานนี้ไม่ใช้คำว่าพุทธศาสนา นิกายเซนแต่ได้ใช้ว่าพุทธศาสนาอย่างเซนตลอดมาเพราะเซนมิได้เป็นนิกายที่มีลักษณะเด่นชัดแยกตัวเองว่าเป็นนิกายหนึ่งต่างหากจากนิกายทั้งหลายแต่พุทธศาสนาอย่างเซนกล่าวถึงการเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตปัจจุบันซึ่งไม่โูกพันตัวขึ้นมา จนเป็นลัทธิที่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ในเมื่อภูมิประเทศเหตุการณ์บุคคลและโลกทั้งมวลเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้นิทานที่จะเล่าต่อไปนี้รู้สึกจะบอกได้เกือบชัดว่าเซนนั้นตั้งอยู่ในฐานะเช่นไรต่อทัศนะของนิกายต่างๆเชิญท่านใช้ปัญญา และบางทีท่านจะรู้จักตัวท่านเองด้วยว่าทิฏฐิความเห็นของท่านจัดอยู่ในพวกที่มีความเชื่อแบบไหนขอเชิญจีนสมัยโบราณยังมีวัดพุทธศาสนาใหญ่อยู่วัดหนึ่งมีระเบียบให้คนในวัดมาประชุมทำวัดสวดมนต์กัน ณศ า, าลาแหล่งกลางด้วยการตีระฆังใหญ่ตอนตีสี่ทุกวันครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งทุกทุกวันแกจะคำหมีขมันอุตสาตื่นก่อนเวลาจุดไฟเดินส่องไปตามทางปูหินก่อนใครๆเพื่อจะได้จับหอยทากที่คลานอยู่ตามทางเท้าไปปล่อยเสียให้ห่างในที่ปลอดภัย เพราะไม่อย่างนั้นถึงเวลาระคังสัญญาณขึ้นผู้คนเดินไปสู่ศาลากันมากมายจะเหยียบถูขหอยท่าตายแกทำอย่างนี้ทุกทุกวันวันแล้ววันเล่าจึงมีภิกษุรูปอื่นสังเกตเห็นเลยเกิดมีการสอบถามขึ้นในที่พร้อมหน้าว่าทำทุกวันนั้นทำทำไหม ภิกษุรูปนั้นต่อว่าผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อประกอบความดีสร้างบารมีเรื่อยไปนั่นแหละนอกจากจะสวดมนต์ภาวนาเท่าคนอื่นแล้วผมก็หาบุญกุศลเป็นพิเศษอีกด้วยนะสิภิกษุอีกรูปหนึ่งค้านขึ้นว่าท่านทราบไหมที่ทำอย่างนี้ เหมือนกับกอรกรรมทำเข็ญยังบาปโทษให้เกิดแก่ชาวเรือชาวสวนเพราะความเดือดร้อนด้วยหอยทากที่ท่านช่วยสงวนพันไว้ให้ระบาดกระจายไปที่อื่นๆนอกวัดทางการเขาสั่งกาจัดสัตว์แพร่โรคชนิดนี้กันหมดแล้วจะยังเหลือก็แต่แหล่งเพาะพันในวัดนี่แหละ คนทั้งหลายก็พ้อยได้รับผลของการกระทาของท่านไปทั้งแขวงเมืองฝ่ายใตยน้นี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งพูดขึ้นว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านรูปนั้นมิได้มีเจตนาให้เป็นภัยแก่คนทั้งหลายเหล่านั้นตรงข้ามท่านกำลังบำเพ็ญหน้าที่ของโพธิสัตว์ ทำการปลดปล่อยสัตว์ 84,000 สี่พันจากภัยพิบัติและยังช่วยปลดปล่อยทำความปลอดภัยให้พวกเราในวัดนี้ได้บําเพ็ญความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปมีเหตุต้องทำชีวิตให้ตกล่วงไปอีกด้วยเมื่อไม่เป็นที่ตกลงกันได้ทั้งหมดก็พากันไปหาหลวงพ่อโตกุันเจ้าอาวาส ท่านอาจารย์ผู้เท่านิ่งฟังการชี้แจงของแต่ละรายแต่ละความเห็นด้วยความกรุณาและเห็นใจเป็นที่สุดท่านได้แต่จ้องหน้าตั้งใจฟังคนนั้นทีคนนี้ทีภิกษุรูปแรกชี้แจงว่าผมก็มีอายุมากแล้วมาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อมาทำความดีความดีแม้จะน้อยหนึ่ง แต่มันประกอบกระทําทั้งกลางวันกลางคืนย่อมจะเต็มได้เหมือนหยาดน้ำทีละหยดทีละหยดอาจเต็มตุ่มได้อย่างนี้จะว่าเป็นโทษบาปได้อย่างไรครับหลวงพ่อท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจว่าถูกถูกถู ก, ถกแล้ว ภิกษุรูปที่สองชี้แจงว่าถ้าว่าโดยเจตนากันแล้วหากมีคนใดไปเหยียบหอยท่าเวลาเดินไปสวดมนต์ตอนมืดมืดนั่นก็มิใช่มีเจตนาฆ่าเมื่อไม่มีเจตนาก็มิใช่เป็นกรรมอันใดผลยังจะสะท้อนว่าเป็นความปลอดภัยของมหาชนเป็นอันมากที่วัดนี้ไม่ได้เป็นแหล่งสุดท้าย ที่มีหอยทากอันเป็นสัตว์ทำลายพืชผลและตัวเพาะโรคหาสู่ประชาชนและยังเชื่อว่าช่วยกันทําตามประกาศของราชการที่ให้วัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้กําจัดพาหะนำเชื้อชนิดนี้อีกด้วยทั้งคนในวัดนี้ก็จะได้อยู่กันอย่างไม่มีโรคเพื่อประกอบกิจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป เป็นผลดีทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสิ้นทั้งมวลมิใช่หรือครับหลวงพอ่อท่านอาจารย์พอฝังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจว่าทูกถู ก, ถ, ก, ถ, กถูกแล้วภิกษุรูปที่สามชี้แจงว่าการทาบำําเพ็ญธรรมให้ความปลอดภัยแก่คนส่วนใหญ่ โดยมีใครคนใดคนหนึ่งเสียสลับรับเป็นภาระไปเสียเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเขาได้ประกอบกระทําความหลุดรอดไปตามทางของเขาตลอดถึงสัตว์ใดๆแม้จะอยู่ในร่างที่ต้อยต่ำอยู่ธรรมชาติแห่งความตัดสรู้ก็มิได้มีน้อยไปหรือมากขึ้น เพียงปัญญายานโพงวาบเดียวผลกรรมใดๆแม้มากน้อยเท่าใดย่อมถูกยกเลิกเสียหมดสิน้นดูแต่มหาโจรใจร้ายบาปกรรมเกลกรังก็ยังเปลืองกรรมอันมหันนั้นได้เพียงชั่วอึดใจเดียวอย่างนี้จะมิเป็นการถูกต้องหรือครับหลวงพอ่อท่านอาจารย์พอฟังจบแล้ว ก็ตอบแสดงความชอบใจว่าถูกถูกถูกแล้วขณะนั้นสามเนมนอุปถากําลังนั่งพัดอยู่ข้างหลังอาจารย์ผู้เทาได้ฟังเขาชี้แจงทีละคนทีละคนและหลวงพ่อก็ยอมรับว่าเขาแต่ละรายถูกถูกถูกเนนอดทนฟังต่อไปไม่ได้ ก็เอ่ยขัดขึ้นเพื่อขอโอกาสออกความเห็นหลวงพ่อโตกุสันทราบดังนั้นก็เลี้ยวหมุนตัวมาตั้งใจฟังสามเณมรอีกรายหนึ่งสามเณร น, น้อยติ่งว่าหลวงพ่อได้แต่ร้องว่าถูกถูกถูกมันจะมีถูกกันไปหมดทุกฝ่ายได้อย่างไรถ้ามีถูกอันใด อันอื่นก็ต้องผิดสิหลวงพ่อท่านอาจารย์ผู้เท่าพอฟังจบก็ตอบแสดงความชอบใจอีกว่าอ่ะนี่เธอก็ถูกถูกถูกแล้วนิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้ผู้เล่าขอรับว่าเห็นนิทานทํานองนี้มาก็มากแล้ว มีเรื่องนี้แหละที่มีความหมายลึกแยกยนต์และคมขังสามารถรวบชี้ได้เกือบหมดทุกลัทธินิกายในพุทธศาสนาท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าเหตุเกิดในวัดที่ไม่ได้บ่งชัดว่าเป็นวัดเซนแต่เซนย่อมปรากฏแก่ผู้เห็นแจ้งตรงตรงกันหมดทุกการทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นภิกษุใ น, นนิกายฝ่ายใด ชั้นแรกนี้ถ้าจะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ฟังมาถึงตอนนี้ได้หยุดเพื่อคิดอยู่เพียงแค่นี้ก่อนควรจะกลับไปนึกถึงคำชี้แจงของพิกษุรายที่หนึ่งรายที่สองรายที่สามและของสามเณรรายที่สี่ ดูว่าแต่ละรายเขาหมายถึงอุดมมคติหรือชนิดของศรัทธาในศาสนาอย่างไรแล้วท่านล่ะท่านว่ารายไหนถูกขอร้องให้สังเกตว่าความเห็นรายแรกกับรายที่สาม ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันจะเห็นได้แม้จะถือว่าการจับหอยทากไปปล่อยให้พ้นจากการถูกเหยียบนั้นเป็นของดีก็าตามแต่โดยเนื้อแท้ผู้พู ด, พ, ดพูดกันไปคนละทางเพ่งกันไปคนละแง่ตามความคิดเห็นของตนของตนจะขอจัดพวกและอัธยาธิบายเรียงกันไป ความเห็นอย่างราแรกเป็นแบบฉบับแห่งความคิดนึกอย่างเถรวาดโดยแท้คือถือหลักกรรมไว้แข็งปรารบ ถ, ถึงความที่ตนเองตกอยู่ในกองทุกข์แล้วมีตนเป็นผู้หาทางออกโดยทุกวิถีทางกระทั่งตนเป็นผู้ให้ทานตนเป็นผู้รักษาศีล ตนเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิตนเป็นผู้เจริญวิปัสนาปัญญาแล้วตนก็พอใจอิ่มใจในความที่ได้บำเพ็ญถูกอย่างชานฉลาดตามที่ตัวเองนึกเช่นนั้นจะเห็นได้ว่ามีตัวเองโดยส่วนเดียวตลอดสายปรารพตนว่ามีทุกขมีตนปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ มีตัวเองเป็นผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติความเห็นอย่างรายที่สองเป็นความคิดนึกแบบใช้เหตุผลตั้งอยู่บนฐานที่ถือเอาประโยชน์เท่าที่เห็นเห็นกันได้ซึ่งอาจจะเป็นที่พอใจของคนในสมัยนี้ที่ถือแข็งไปทางวัตถุมีวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ย่อมเพลงประโยชน์กันสดๆเป็นเรื่องเฉพาะหน้าไม่เกี่ยวถึงปรัชญาหรือคุณค่าแห่งความคิดที่เป็นไปในอุด ม, มคติที่สูงไปกว่านั้นความเห็นอย่างไรที่สามเป็นแบบฉบับแห่งทัศนะอย่างโพธิสัตูมิในฝ่ายมหายานโดยทั่วไปคือถือว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง แทนที่จะเพ่งเพื่อตัวเองกลับเพ่งเผื่อไปให้ผู้อื่นสัตว์อื่นหวังในอุด ม, มคติที่จะรื้อสัตว์ขนสัต ว, สตว์สู่แดนที่ปลอดภัยแดนที่กเกษมจากมวลทุกข์ความเห็นอย่างรารที่สี่เป็นความคิดที่เกิดจากการคำนึงคำนวณโดยหลักตรรกวิทยา คือไปตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างนั้นอย่างนี้พอมีเรื่องอะไรสิ่งใดขัดกับหลักที่ตนถือไว้แข็งก็กล้าตราออกไปได้ทันทีว่าเป็นเรื่องผิดหรือสิ่งผิดทิฏฐิอย่างนี้ถือความเป็นของคู่มีของที่ตรงข้ามกันตลอดไปชนิดหัวชนฝาคือถ้ามีผิดก็ต้องมีถูก หากมีอันใดถูกอันอื่นนอกนั้นก็ต้องผิดอย่างนี้เป็นตน้นทัศนะเช่นนี้พบได้ในนิกายพุทธศาสนาหรือลทัทธิทางศาสนาทั่วไปเหมือนกันซึ่งถ้าเราคิดเพียงชั้นเดียวก็น่าจะเห็นว่าเป็นทัศนะที่เต็มอยู่ด้วยเหตุผลเหมือนกัน ในท้องเรื่องนิทานนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นของคนชั้นสามเณรยังเป็นหน่ออ่อนอยู่ดูเอาเถอท่านทั้งหลายถ้าจะให้ชี้ว่าตามทัศนะของเซนนั้นละ่ะจะเห็นไปอย่างไรและรายไหนเป็นรายที่ถือว่ารู้จักโลกนี้ตามเป็นจริง ก่อนอื่นก็ขอนำเอาถ้อยคำที่เน้นหนักในตอนท้ายนิทานครั้งที่แล้วมาสู่ความทรงจําของท่านอีกทีมีดังนี้คราวใดหากใครมีความรู้สึกว่ามีถูกผิดขึ้นจริงๆด้วยความยึดถือแน่ใจแล้วคราวนั้นแหละพึงรู้เถิดว่า จิตของตนยังไม่ออกจากวงบาทอันแน่นเหนียวของอุปทานความจริงที่มันมีอยู่อย่างไม่เปลี่ยนก็คือว่าจิตนี้มันได้ลุดออกจากเครื่องพันธนาหรือกำลังอยู่ในขณะพัวพันกับโลกิยะรม์เท่านั้นเองจะเห็นได้ว่า ท่านอาจารย์ผู้เท่าตันกุสันนั่นเองเป็นผู้ถูกที่สุดเพราะมองเห็นอะไรอะไรเยี่ยมผู้รู้แจ้งโลกถ้าจะเอาถูกกันก็ถือว่าแต่ละฝ่ายถูกด้วยกันทั้งนั้นจะถือเอาเพียงความคิดเห็นที่เพ่งกันคนละทีคนละทัศนะนั้นไม่ได้ย่อมจะเถียงกันตายส่วนผู้มีเซนนั้น ย่อมไม่มีอะไรทำนองนี้มากวนให้วิจิกิจฉาอีกต่อไปผู้ปฏิบัติทางปัญญาโดยถูกต้องย่อมไม่คล้องแวะปัญหาชนิดนี้หากจะให้ไปเกี่ยวข้องก็ต้องเกี่ยวข้องโดยความที่เรารู้จักมันดียอมไปกับเขาได้โดยไม่มีอะไรติดขัดฝืนใจทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนาอย่างเซนนั้นได้ครอบเอาพุทธศาสนาทุกลัทธินิกายไว้ได้ด้วยอาการอย่างนี้ไม่เพ่งเล็งจะเอาถูกเอาผิดเอาดีกว่าหรือเลวกว่าคงจ้องแต่เรื่องจิตว่าทุกๆขณะนั้นจะอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปทานหรือว่าถูกอะไรมาปรุงให้คลุกไปกับโลกเสียอีกแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเซนจึงมีเรื่องที่ต้องนึกต้องห่วงน้อยเพราะตลอดเวลาก็ย่อมไม่มีตัวที่จะมาาวาพวังเพื่อรักษาผลประโยชน์อะไรอยู่เองแล้ว